ขอเข้าเรื่องเกี่ยวในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของวิถีในนามโรควิถีวินิจฉัยเนี่ยหรือในปริเชษที่4การศึกษาในเรื่องนี้ถ้าดูในคําปารลบของทางหลักสูตรที่ท่านทํากันเข้าไว้โดยเฉพาะท่านอาจารย์สัทธัมมชตดิกะปารลบเข้าไว้นี่ค่อนข้างยาวประเด็นของการปารลบเนี่ย อย่างยกตัวอย่างเช่นคำปารลบเบื้องต้นสัตธรรมะรังศีชาริโนธรรมาติเรกเทสโกโชเตสีสาสนังวรังเจตุราศีติสหัสสังติโรกานางปาปนายะริปุงหันตวา น, านิพพานังแล้วก็กัตวาโสชยมังคะลังยะทิจิตังไมหังเทตุ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นผู้แผ่ขายพระรัศมีคือพระสัจธรรมพระสัจธรรมในที่นั้นหมายความถึงมรซีผลซีนิพานหนึ่งและก็พระปริยัติธรรมหนึ่งะเขาเรียกพระสัจธรรมสิบประการฉะนั้นการที่พระองค์จะแผ่ขายพระรัศมีคือพระสัจธรรมและก็ทรงเป็นผู้มีผู้ชี้ธรรมอันประเสริฐคือพระนิพานนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาพระสัตธรรมก็คือว่าที่ประเสริฐสูงสุดเขาบอกว่าวิราคาธรรมเน่ยไหมวิราคธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายเพราะแสดงว่านิพา น, นีต้องประเสริฐกว่าโลกุตระโลกุตระมรรคและผลแล้วก็ประเสริฐกว่าปริยัตในบรรดาพระธรรมที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนั้นถ้าพระ น, นิพานนั้นก็ชัดเจนเราเป็นวิราฆาธรรม เป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุดทรงเผยแผ่คําสอนอันประเสริฐทั้ง8 000, 000ปด0 0ื่พันพระธรรมขันธ์ให้ปรากฏรุ่งเรืองเพื่อเวไนยสัตว์เวไนนั้นมาจากคาว่าวิไนนะสังวรวิไนแล้วก็ปหาณวินยัยถามว่าใครเป็นเวไนยสัตว์ก็คือชนหมู่สัตว์ที่จะได้ตรัสรู้อนุตตระจะได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า หรือฟังธรรมจากภาษาวกแล้วได้ตัดสรู้เนะี่ยท่านแยกเป็นสองอย่างเป็นพุทธเวไนกับสาวกเวไนนะแยกออกเป็นสองประการเนะี่ถ้าพุทธเวไนก็คือจะได้ตัดสรู้เพราะการฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าสาวกเวไนก็คือจะได้ฟังธรรมจากภาษาวกก็ได้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าที่อยู่ในโลกทั้งสาม ให้สังเกตดูว่าในกามภูมิในรูปภูมิในอรูปภูมินี้มีเวนัยสั์คือมีพระโสดาบันสกาธาอนาคาและก็มีพระอาหารหันต์อยู่นีทั้งสามภูมินะจักได้ฆ่าศัตรูภายในคือกิเลสแล้วเข้าถึงซึ่งพระนิพพานขอพระเดชพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจงประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพระองค์ ได้มีชัยมงคลคือจริงๆท่านอาจารย์จะทำขอขอมงคลสามสิบแปดประการนั่นเองขอมงคลให้เกิดขึ้นกับตนเองด้วยการอ้างพุทธบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยและจงอนุเคราะห์ความประสงค์ที่ข้าพระองค์ได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วให้สำเร็จทุกประการเทินอตรงนี้ก็ ถ้าท่านรู้เห็นการกระทําของพวกเราก็ว่าเออพวกเราก็อนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์สัทธมชโชติกาที่ได้ได้รจนาคัมภีร์ให้พวกเราทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษาพระธรรมกันอย่างสะดวกคําว่าศาสนานั้นมาจากคาว่าศาสนานั่นเองฉะนั้นคําว่าศาสนาเนี้ยมีความหมายว่าเป็นธรรมที่เบียดเบียนประทุดสลายต่อกิเลส ท, ทั้งปวง ตรงนี้ชั้นแสดงว่าจนะถามเลยนะว่าคาว่าศาสนาศาสนะในที่นั้นนะในที่เนี้ยมาจากคําม่อกีเลเสศาสติหิงสตีติศาสนังมาจากว่าสะสุทาตุยุปัจจัยสะสุหิงสาสิยางอันนี้ต้องถามมหาบอยอะไรลงธาต์อะไรเนยอย่างนี้เขาเรียกลงธาต์อะไรยุธาต์เลยมาจากธาต์อะไรลงมาจากสัสุธาต์หรือว่า สสุทาตยุบปัจจัยใช่ไหมหรืออีกในหนึ่งคำว่าศาสนาหมายความว่าธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการอบรมสั่งสอนมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาและพรมชื่อว่าศาสนาเออในนานๆ น, นั้นเราจะได้ยินคำว่าศาสนาที่แปลกันแบบนี้ว่าศาสนาในที่นั้นน่หมายถึงธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการอบรมสั่งสอนเนี่ยหรือที่บอกว่าธรรม ศาสนานั้นหมายความว่าธรรมที่เบียดเบียนปทุสรากิเลสเพราะว่าศาสนาในที่นั้นเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศาสนาตัวนั้นก็ได้ศีล ส, สมาธิปัญญาที่ในอริยมรรคฆ่ากิเลสไหมในนั้นฆ่าโดยเบียดเบียนด้วยแต่ถามว่าธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการอบรมสั่งสอนมนุษย์เทวดาชื่อว่าศาสนาเหมือนกันหรือธรรมที่เป็นเหตุแห่งการอบรมสั่งสอนมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาและพรหมชื่อว่าศาสนา มาจากคำว่าสเทวกังโลกงสสัสสส ง, สก ง, ลกงสาสติเอถาติศาสนงวาสเทวกังโลกังศาสติเอเตนาติศาสนงอันนี้ก็มาจากศาสตร์ธาตุและก็ยุปปัจจัยด้วนกันศาสะอนุสิตที่มิศาสนาหรือคำสั่งสอนคำสอนเป็นที่นิยมนับถือของชาวโลกนั้นมีอยู่หลายศาสนาด้วยกันนะ บรรดาผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆเหล่านี้ต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงแสดงถึงบุคคลที่เป็นศาสดาของตนของตนพร้อมทั้งประวัติกับคำสอนและก็ระเบียบเสมอไปสำหรับประวัติคำสั่งสอนของาศาสดราอื่นๆ น, นั้นอาตมาไม่ขอกล่าวเพราะท่านทั้งหลายก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนี่ท่านท่านปัดเลยบอกว่าตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะมากล่าวหนะ้าที่นี้ ท่านก็บอกว่าเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบประวัติคาสั่งสอนระเบียบของพุทธศาสนาศาสนาอื่นแล้วก็จะพึงเห็นได้ความแตกต่างกันโดยประวัติโดยคาสอนเนี่ยนะโดยระเบียบก็แตกต่างกันออกไปฉะนั้นความเห็นความเข้าใจและการปฏิบัติของผู้ที่นับถือาศาสนาต่างๆก็มีความนับถือความเห็นความเข้าใจแล้วก็การปฏิบัติของผู้ที่นับถือพุทธศาสน า, านั้นเหมือนผู้ที่เดินไปท่ามกลางแสงสว่าง อันนี้ท่านบอกว่าถ้านับถือศาสนาอื่นเหมือนผู้ที่เดินไปในถ้มกลางของความมืดมงถามว่าที่กล่าวอย่างนี้นะั้นไม่ใช่เกินไปนะแต่เพียงหมายความว่าข้อที่จะนำทางเข้าสู่แสงสว่างได้ชัดเจนจริงหรือไม่นั้นก็ตรวจสอบได้จากผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายอันหนึ่งคำสั่งสอนของศาสนาอื่นที่นอกจากพุทธศาสนาะไม่มีการสอนถึงความเป็นไปของสิ่งชี ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งเป็นรูปนามโดยความเป็นอนัตตาแต่การยกอัตาทิทีเห็นว่ารูปนามเ ป, นเป็นตัวเป็นตนอันนั้นก็เปรียบเทียบกันอย่างนั้นนะนีเออในรายละเอยียดตรงนี้ก็อ่านไปตามนั้นทีนี้พอเปิดมาอีกหน้าหนึ่งโดยเฉพาะมาถึงว่าในหน้าต่อไปในเว้นในในย่อนหน้าที่บอกว่าในหมู่ชนชาว พ, พุทธ พุทธาศาสนาของเราทั้งหลายนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มสาวแก่เท่าเพียงใดก็ตามที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาพุทธดีพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่รับการศึกษาในด้านอภิธรรมเหล่านี้ก็คงจะมีความเห็นความเข้าใจคล้อยตามรัฐที่เหล่านั้นท่านสรุปลงตรงนั้นแล้วก็มาลงท้ายด้วยบาลีที่บอกว่าสุชนาสุชนาสัพเพ คุเนนาปิวิเวกิโนวิเวกังนสมายันติอวิเวกิชนันติเกนะมาในสุโพลังกาละสัตบุรุษคือบัณฑิตนั้นและอสัตบุรุษคือคนพานทั้งหลายแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันโดยคุณธรรมก็จริงแต่ก็ไม่ทำให้เขาถึงความแตกต่างกันอันสมควรในการในบรรดาชนที่ไม่มีวิจารณ ญ, ญาทั้งหลายกล่าวคือว่า ชนทั้งหลายที่ไม่มีวิติแลปัญญาซึ่งเป็นปัญญาที่สําคัญนั้นคงมีแต่ปัญญาธรรมดาและท่ายังต่อใช้คําว่ามารยาสาถายอิชาริษยาเหล่านี้ย่อมไม่ได้กระทําให้บุคคลทั้งสองฝ่ายต่างกันคงเห็นว่าเสมอเหมือนกันหมดทั้งสิ้นว่างื่อนคือไม่ต่างกันอันหนึ่งผู้ที่มีความเชื่อถือแต่ในฝ่ายรูปธรรมอย่างเดียวย่อมจะพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผล ที่เกี่ยวกับรูปปลายเดียวฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าหาเหตุผลที่เกี่ยวกับรูปตั้งแต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ค่อยๆลดลงไปตามลำดับ จ, จนกระทั่งถึงสิ่งที่เล็กที่อนุมานเรียกกันว่าปรมาณูแต่ถึงกันนั้นก็ยังมีอาจที่จะพิจารณาณูเม็ดเล็กๆ เ, เหล่านั้นนะนะมีสภาพของรูปอะไรบ้างที่รวมกันอยู่คือในที่นี้ท่านต้องการอยากจะบอกว่า ไม่รู้เลยว่ามีอยู่แปดรูปเนี่ยปัทวีอาโปเทโชวายวันโนคันโทราโศโอชาเนี่ยดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสและโอชาเนี่ยนะประมูทิประประมานูที่เล็กที่สุดยังเป็นไปด้วยอํานาจของปัจจัยห้านะเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นดินน้ําไฟลมเนี่ยที่ประชุมกันอยู่เป็นประมานูที่เล็กที่สุดเนี่ยเป็นสหาชาตปัจจัยนะเช่นยกยังไง ถ้ายกดินน้ําถ้ายกดินขึ้นมาไหมเป็นตัวเป็นตัวตั้งน้ําไฟและลมเนี่ยเป็นสหาชาตปัจจยุบันของดินดินนั้นเป็นสาชาตปัจจัยเขาเรียกว่าดินนั้นอุปการะแก่ทำรรอีกสามเนี่ยคือน้ําไฟและลมที่เกิดพร้อมกันกันกบตนโดยฐานะเป็นสหาชาตปัจจัยส่วนดินน้ําลมไฟนั้นเออไฟลมแล้วก็ น้ำนั้นเป็นสาชาตาปัจจยุบันเป็นผลนั่นเองหรือในด้านของอัญญามัญญะเนี่ยให้สังเกตว่าดินน้ำไฟลมเนี่ยเขาขาดกันไม่ได้ยกตัวใดตัวหนึ่งหนึ่งเป็นปัจจัยแก่สามสามเป็นปัจจัยแก่หนึ่งสองเป็นปัจจัยแก่สองไหนสามารถที่จะยกได้เขาเป็นอัญญามัญญะแก่กันก็ยกตัวหนึ่งเป็นอัญญามัญญปะปัจจัยตัวที่เกิดร่วมก็เป็นอัญญามัญญปะปัจจยุบันนิสยปัจจัยบอกว่าต้องอาศัยกันนะ ไม่ใช่เป็นนิสยาธรรมดานะต้องเป็นสหาชาตะนิสยาคือเกิดพร้อมกันด้วยเป็นที่อาศัยซึ่งกันและกันด้วยขาดกันไม่ได้ด้วยและก็เป็นสหาชาติทิปัจจัยด้วยเกิดพร้อมกันด้วยยังมีอยู่หมดเลยนะดินก็ยังมีอยู่น้ำก็ยังมีอยู่ลมก็ยังมีอยู่ไฟก็ยังมีอยู่ว่าไ ง, งแต่ส่วนสีกินรสโอชานั้นเขาเรียกเป็นอุปาธยรูปอีกสี่รูปที่เหลือนะั้นเป็นรูป โลกที่อาศัยดินน้าไฟลมอีกทีอนั้น ก, ก็ตรวจสอบไปตรวจสอบไปอวิคตาปัจใจเข้าอุปการะในขราวเดียวกันด้วยคือเป็นสาชาตะแล้วก็เป็นอวิคตะด้วยยังไม่ปราศจากไปด้วยนี่เป็นอย่างนั้นนะตายทัดตามทันไหมนะี่เป็นอย่างนั้นทีนี้ถามว่าถ้าในดัมบันดาณนนะวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ย เขาจะไม่รู้เขารู้จริงว่าเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมเขาอาจจะรู้แต่เขาไม่รู้ห่อดินน้าไฟลมนั้นน่ะมีปัจจัยมีอะไรเป็นปัจจัยคือบงเขาไม่รู้ว่าบางแห่งมีกรรมเป็นปัจจัยบางแห่งมีจิตเป็นปัจจัยบางแห่งมีอุตุเป็นปัจจัยบางแห่งมีอาหารเป็นปัจจัยเนี่ยเขาจะไม่รู้เหตุปัจจัยอย่างนั้นเขาจึงน้อมไปที่จะเป็นอุเชทาทิฏฐิอย่างเงี้ยนะก็ก็ศึกษาไปตรงนี้ เ้าจึงน้อมไปที่จะมีความเห็นผิดทางด้านอุเช ท, ทิทิฐิซึ่งต่างจากในหลักการทางศาสนาจะรู้ว่านี่คือผลมาจากเหตุอันนี้และทั้งเหตุทั้งผลอันนี้นั้นมีอะไรเป็นปัจจัยอยู่เบื้องหลังก็จะรู้ตรงนั้นด้วยฉะนั้นวิทยาศาสต ร, ร์อย่างสูงสุดนั้นพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้โดยเฉพาะหน้ามวลหมู่มนุษย์เทวดามารพรมทั้งหลายในดาวดึงสติซึ่งชาวเราทั้งหลายเรียกกันว่าพิธรมปีดกนั่นเอง ทีนี้ในสมัยที่ลทัทธิต่างๆกําลังแพร่หลายอย่างไพศาลดังที่เราได้เห็นกันอยู่ในบัดเนี้ยบุคคลใดมาเคารพนับถือเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาบุคคลนับว่าเป็นผู้ที่โชคดีใช้คําว่าโชคดีต่อมาถ้าหาผู้นั้นได้รับการศึกษาเราเรียนท่องจําในพระวิธรรมมหาสติปัฏฐานสูตรที่จริงท่านใหเน้นให้จาเลยเนะนะี่ยในที่นี้ไม่รู้ใครจําสติปัฏฐานสูตรได้บ้างทำมาจากกัปปวัตตนสูตร อนัตตะลักนะสูตรมงคุลสูตรใจสมัยก่อนเวลาเขาได้เขาได้กันอย่างนั้นนะฉะนั้นเวลาเขาจะไปศึกษาพระธรรมกันเนี่ยเขาจะอย่างนี้เวลาเขาจะเขาเวลาคุยกันเนี่ยเขาก็จะมั่นใจใช่ไหมถ้าเขาเกิดไม่มั่นใจก็จะไปทวนสูตรของท่านก็เหมือนอย่างพระจุลณะจุลนาค ป, ปีปีดกจุลนาที่ว่าเถียงกันกับอาจารย์สุมาณะเถระจุลปีดกนี่ะ สองรูปที่อาจารย์กสิทธิ์ที่คุยกันน่ยอาจารย์บอกว่าสติปัฏฐานเป็นธรรมเป็นธรรมปนกันแต่ส่วนลูกศิษย์บอกว่าสติปัฏฐานนี้เป็นธรรมอ่าเป็นเป็นปปปภาคเป็นธรรมเบื้องต้นสติปัฏฐานเป็นมรรคเบื้องต้นนะแต่ว่าอาจารย์บอกเป็นมรรคค้าเข้ากันเป็นมรรคผสมคือเป็นทั้งโลกิยะเป็นทั้งโลกุตาละก็ยืนยันอย่างนี้อาจารย์ยืนยันสามครั้งต่อมา ลูกศิษย์เห็นว่าอาจารอาจารย์ยืนยันแข็งแรงก็เลยไม่พูดอะไรก็นิ่งพอต่อมาอาจารย์ไปส่งน้ําส่งน้ําก็ตรึกนี่ก็ไล่เลยเอวเมสูตังเอกังตเบะไล่เลยพอไปถึงตรงคําว่าเอกังเอกายนวยางพิกเวมาโคสัตานเป็นต้นไล่ไปตามลําดับนี่นะพอไปถึงบอกว่ามร์เนี่ยเกิดกับคนคนหนึ่งได้ครั้งเดียวใช่ไหม และเวลามรรคจิตเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ตั้งอยู่ได้เจ็ดปีแน่นอนเพราะอันิสงส์ของสติปัฏฐานตอนท้ายบอกว่าเจ็ดปีเนี่ยเจริญเจ็ดปีเนี่ยทําสติปัฏฐานเจ็ดปีตามลําดับติดต่อกันเนี่ยให้ได้สติปัฏฐานเกิดขึ้นตามลำดับเนี่ยจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันโอ้ไม่ใช่แล้วเออสติปัฏฐานนี่ไม่ใช่มรรคเบื้องปลายแน่เออไม่ใช่มรรคผสมเนี่ยเป็นมรรคเบื้องต้นอะเลยเลยน้อมไปหาอาจารย์เลย เออ น, น้องไปหาลูกศิษย์แล้วก็ไปบอกตอนที่ลูกศิษย์จะแสดงถามบ่กคุ้นคุค้คุณจุลนาอที่ท่านบอกว่าสติปัฏฐานเป็นมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นนะถูกแล้วผมเข้าใจผิดนี่ไหมนี่ลูกอาจารย์น้อมบอกว่าเออผมเข้าใจผิดนี่เป็นเงี้ยนี่เป็นเงี้ท่านสมัยก่อนเขาได้สูตรเลยครับเขาได้ได้สูตร ก็ย่อมเป็นสวเป็นิรัสดิ์มงคลแก่ตนของตนอย่างสูงสุดต่อมาผู้นั้นก็ได้มีโอกาสปลีกตนหลีกเล้นออกไปอยู่ผู้เดียวเนี่ยตรงเนี้ถ้าใครอย่างยกตัวอย่างถ้าจะเจริญสติปัฏฐานแต่ไม่ชัดในสติปัฏฐานมันจะมีปัญหาตอนไปปฏิบัติเพราะพวกที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาจะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็ทวนเลยใช่ไหมทวนปุ๊บคําสอนพระเจ้าแล้วเขาก็ปฏิบัติต่อ <Okay. S 1> เออเขาไม่สงสยยัยแล้ว มีปัญหาเกิดขึ้นก็จะทวนทวนสูตรที่เขาปฏิบัติแต่ปัจจุบันมันทวนไม่ได้ใช่ไหมเพราะทงมันไม่จบกันไม่เคยจบกันครับเดี๋ยวนี้นไม่จบสติปัฏฐานกันเวลาจะไปปฏิบัติไม่เคยจบก็เลยไม่มีอะไรจะทวนสงสัยก็งงถ้าหลีกเล่นไปพูดเดียวฐานที่ห่างไกลเสียงอึกเสียงอึก ก็ะเหลือเฮฮาต่างๆที่เกี่ยวกับชาวบ้านคงได้รับแต่ความเงียบสงัดมีแต่เสียงสายลมพัดผ่านไปมาในท้องอากาศพร้อมกับใบไม้ไหวในขณะที่ต้องลมซึ่งกำลังเป็นอยู่ตามธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็จะพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นติดต่อกันลำดับแห่งนามรูปวิถีของชนทั้งปวงที่อยู่ในโลกว่ากายใจของเราเออตรงเนี้ยคาว่านามรูปวิถีตรงนี้เป็นชื่อของการเขาเรียกว่า ลำดับความเป็นไปของขันธาตุอายตนะที่ไม่ขาดสายนั่นแหละคือคือวิถีใช่ไหมเขาเรียกว่านามโลกวิถีของเป็นไปโดยลำดับไม่ขาดสายนั่นแหละอันเดียวกันความเป็นไปของจิตเจสึกรูปก็คือลำดับความเป็นไปของขันธาตุอายตนะคือเป็นชื่อของสังสาระเีกเขาเรียกว่าสังสารวัตใช่ไหมต้องตายทัดบอโอ้ยเรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรก็คือไอ้เนี้ย มันมันหมุนมันสลับอยู่เงี้ยมันออกไม่ได้เดี๋ยวก็หมุนไปทางทวารตาใช่ไหมออกจากทวารตาก็ไปหมุนเกิดดับทางทวารหูเดี๋ยวทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจสลับคระเ ข, า, ขาอยู่อย่างเงี้ยนี่คือลำดับความเป็นไปของขันท่าไตรยชนะนี่เขาเรียกสงสารละคือวิถีนั่นเองลูกนามนั่นเองกายกระจายของเราและคนอื่นที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นแถวแถวเนี่ยใช่ไหมของคนอื่นก็เป็น สังสารวัตรของคนอื่นก็เป็นเนี่ยพวกเรานั่งกันอยู่เนี่ยถ้าถามอย่างนี้ถ้านั่งหลับเนี่ยสังสารวัตหมุนสังสารวัตเกิดขึ้นติดต่อกันไหมนอนหลับอยู่เนี่ยหมุนไม่หมุนจิตอะจิตเดินอยู่ไหเจสิกเดินอยู่รูปเดินอยู่อยู่ไหมไม่เดินเดนิพันแต่ว่าความเป็นไปของจิตเจสึกรูปจะเป็นไปตลอดอย่างนี้ก็เรียกสังสารวัตรมันไม่หยุดแล้วมันไม่ขาด แต่มันอยู่ท้งมโนทวารกค่นั้นเออทางไอเป็นผวังผวังก็เป็นทวารลิมุด ต, ตอนนั้นทวารลิมมติเดินอยู่กกรูปก็เดินจิตเจสิกก็เดินอย่างนี้ก็เรียกว่าสังสารวัตมันไม่ขาดพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาอ่าทางไหนโผล่ก่อนทางตาเห็นก่อนหูได้ยินก่อนจมูกดมกลิ่นหรือสัมผัสทางไหนก่อนมันก็มาหมุนอยู่แถวนั้นนี่ยไอสังสารวัตมันก็ยืดยาวอยู่แถวนั้นแหละนั่นแหละลำดับความเป็นไปของจิตเจสิครูป หรือลำดับความเป็นไปของขันธะอายตนะจึงเรียกว่าวิถีของสัตว์ทุกคนเป็นแบบนี้หมดมองเห็นไม่เพียรยศมันเป็นอย่างนี้จริงๆวิถีจิตและมันออกจากตรงนี้ไม่ได้นะเนี่ยวพวกเราออกกันไม่ได้ไม่รู้จะทําทไงเพราะจติก็ปฏิสนธิต่อเพรอปฏิสนธิแล้วผวังก็ต่อพอผวังเป็นไปตามเหตุตา ม, ตามสมควรแล้วก็ขึ้นมโนขึ้นชวนะขึ้นปัญจะไปอยู่เงี้ยก็ปารบขึ้นสู่วิถีลงวิถีอยู่อย่างเงี้ยเนะย นี่เขาลำดับความเป็นไปของขันธาแตยะตะนะนี่ เ, เรียกสังสารวัฏมีความเป็นไปที่ทำที่เกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยปัจจุบันเกี่ยวเนื่องกันถามว่าในขณะที่เป็นไปเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันไหมเกี่ยวเนื่องกันเลยอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจุบันอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนี่ยมันจะเดินของมันไปตามลำดับและเราไม่รู้เลยแต่พระพุทธจเจ้ารู้ว่าอะไรอะไรเป็นปัจจัยเก่จิตดวงนี้ที่กําลังเกิดเนี่ย จิตเยสิกรูปที่มันกําลังเป็นไปทุกๆขณะของสัตว์โลกทั้งหลายที่กําลังเป็นไปถามว่ามีอะไรอยู่เป็นปัจจัยอยู่มาจากกรรมยังไงจิตยังไงอุตุยังไงอากาศยังไงเนมีทัพพงรู้หมดเลยนี่เป็นยังไงเนื่องด้วยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งนมาจัดแจงเห็นไหยไม่ใช่มีใครจัดแจงนะเป็นไปตามธรรมนิยามจิตตนิยามเท่านั้นเข้าใจคําว่าธรรมนิยามมธรรมนิยามธรรมธิติ หรือจิตตนี้คือความความแน่นอนของเขามีอะไรเป็นจุดแน่นอนเนี่ยมีกรรมบ้างมีจิตบ้างใช่ไมมีความแน่นอนของพระธรรมที่จะต้องมีการเกิดดับบางยกตัวอย่างเช่นทำไมท่านพูกนี้พวังยังเกิดมากผิดปกติมันเป็นความแน่นอนของคนคนนั้นเลยเช่นว่าโอ้จะรับอารมณ์แต่ละทีล้อลงพวังอยู่นั่นแหละบางคนลงน้อยมากปย่ยพระพุทธเจ้ า, จา ก, กาหนดได้เลยอย่างนี้เป็นต้น ถามว่ามันเหมือนว่ากรรมจัดแจงเลยว่าเกิดมาในชาตินี้พวังจะเกิดได้เท่าไหร่จะพะวังจะเกิดอยู่กี่ปีแล้วจะเปลี่ยนเป็นจุดเตี่ะตัวกรรมกําหนดไว้แล้วแต่ว่ากรรมที่กรรมกําหนดนั้นมันมีความไม่แน่อยู่นะอาจจะมีกรรมมาตัดร้อนเมื่อไหร่หรือมาเบียดเบียนเมื่อไหร่นั่นอีกอย่างเบียดเบียนทําให้พะวังไม่ได้ถึงนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเนนปิทยยศ ต, ตัวจะอยู่มาห้าสิบปีจะตายบางทีพะวังไม่ได้เกิดถึง 50ปีรักษาภพของเราไม่ได้ถึง50ปีเพราะเราไปประโยค้าวิบัติบ้างคือไปเพียนผิดในที่บางแห่งเห็นไหมหรือไม่ประโยค้าวิบัติแต่กรรมหนักที่เป็นคารุกรรมที่ทำหนักๆเนี้ยตามให้ผลก็เลยต้องตัดรอนรูปน้ำตรงนั้นขาดไปแต่ว่าขาดมันขาดไม่จริงไงมันเชื่อมต่ออีกเพราะจติ ป, ปติที่ต่ออีนี่เป็นยางไง เมื่อได้พิจารณาเช่นนี้ก็อาจจะอำนวยประโยชน์สดิผลให้บุคคลนั้นได้รับความสําเร็จตามความประสงค์ของตนคือเป็นสาวกโพธิญาณเห็นไหมถามว่าวางกลุ่มเนี่ยพิจารณาอย่างนี้แล้วเห็นตามความเป็นจริงเป็นสาวกโพธิญาณเลยคือปรารถนาเป็นพรสาวกที่จะได้บรรลุธรรมคือจะบรรลุตามพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะหรือปัจเจกับโพธิญาณ น, นี้ในกลุ่มนี้ยเขาบอกอย่างนี้ทางที่บอกว่า เคยกล่าวไว้สูตรหนึ่งถ้าในหลายแห่งนะที่บอกว่าอย่าง น, นี้ถ้าหากว่าเจริญอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของบุคคลที่เจริญอิริยาบถบบหรือในกลุ่มของบุคคลที่พิจารณาปัจจัยทั้งสี่พิจารณาจีวอนเห็นไหที่เคยกล่าวเขาไว้บอกถ้าพิจารณาจีวอก็พิจารณาถึงขนาดว่าจะห่มจีวอนแต่ละครั้งก็อุปมาเหมือนกันกันกบ 5, ผ้าพันแผล ที่พระเจ้าบอกเห็นคนขาขาดเท้าขาดมือด้วนคนเป็นฝีหนองเต็มตัวถามภิกษุว่าเธอเห็นไหมบอกเห็นเศษฐีบ้างคนชั้นกลางบ้างคนชั้นต่ำบ้างก็เอาผ้าเนื้อดีบ้างเนื้อปานกลางบ้างเนื้อหยาบบ้างเอามาให้ท่านเหล่านั้นที่ป่วยอย่างนั้นไม่ได้มีความยินดีพอใจอะไรเลยนะว่างั้น แต่ว่าต้องการผ้านั้นมาปิดมาพันสรีระของเต็มตรงเองของตนเองเพื่อป้องกันความอูจาร์ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นน่การจะห่มจีวรเดีละครั้งก็ให้ตึกพิจารณาให้เหมือนกับผ้าปิดแผลผ้าพันแผลชะนั้นเนี่ยนี่เขาเรียกถ้าจะใช้จีวร น, นั้นตึกพิจารณากรรมาฐานอย่างนี้หรือถ้าจะจับบาตรดังที่ได้กล่าวบอกว่าเห็นบาตรเหมือนกับเบื้องใส่ ย, ยาถ้วยใส่ ย, ยา มือของตอนเองที่ไปจับบาทนะั้นนะ่ะเหมือนกับคีมเหล็กที่ไปขีปทานไฟแดงๆเนะียให้ตรึกพิจารณาอย่างนั้นถามทำไมคิดอย่างนั้นถ้าไม่คิดอย่างนั้นตันหาความยินดีพอใจมันจะเข้าไปอิงอาศัยอยงนั้นแต่ถ้าหากคิดจารางี้บอกมือที่ยื่นไปเนี่ยบาทก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตนเองอยู่ในมือมือก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตนเองกาลังอุ้มบาทต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกัน แล้วก็พิจารณาว่ามือที่ยกขึ้นมาได้เพราะจิตคิดเพราะจิ ต, จตคิดแล้ววาโยธาต์ก็ตั้งขึ้นใช่ไหมพอวิถีจิตเป็นไปปุ๊บไอ้ตัววาโยธาต์คือธาบลมเนี่ยมันก็แผ่ขยายไปในสรีละกล่าวคือที่สมมุติว่ามือนั้นยื่นไปยื่นไปก็ไปขีบเอาบาตรนี่จับเอาบาต ท, ที่สมมุติว่ามือกับบาตรสัมผัสกันว่าไงหรือในขณะที่เดินนั่นก็ตรึกในอิริยาบทไป ในขณะที่จะฉันบริโภคอาหารก็เหมือนกับยากินยาที่ว่ามันเป็นโรคมันต้องเป็นโรคที่ไม่หายต้องใส่ยาหยอดอยาทุกวันอย่างเงี้ยเหมือนรถต้องเหมือนรถว่าเ้ยเหมือนล้ อ, เ, อ, ลอเวลาต้องไปก็ต้องคือใส่ใ ส, ใส่น้ำมันใส่น้ามันมันจะได้ไม่ดังไอเผามันจะไม่ขาดฉันใดก็คือว่าชีวิตก็อย่างนั้นแหละว่างี้ยนนก็ท่านให้ตรวจสอบท่านบอกว่าทำเป็นปกติจน กเป็นอธัธยาศัยอย่างเงี้ยได้บรรลุพบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้บรรลุตายไปไปเป็นเทวดาไปฟังธรรมอย่างเทวดาจะได้บรรลุถ้าไม่ได้บรรลุถ้ากลับลงมามาเจ อ, อมาเจอพระพุทธเจ้าจะได้เป็นตัตตรู้แบบเร็วพันเหมือนพายยะเป็นต้นด่านว่าไหมหรือเหมือนพระปุกกุสาสติเป็นต้นเนี่ยบรรลุเร็วมากพวกเนี้ เขาเรียกตัตทุรุเหล่าปนถ้าไม่ได้อย่างนั้นถ้าไปเกิดไม่มิสมัยที่ไม่มีพุทธเจ้าจะเป็นพระปัจเจกหรือพุทธเจ้านี่เนี่ยตรงเนี้ยได้ตัตทุรุแน่ยถ้าถ้าทํากรรมฐานถึงปันนั้นเน่ยถามท่านต้องบอกว่าแล้วมีวิริยะไหมไอ้วีละวีละในที่นี้ท่านแปลว่ากล้าใช่ไหมถามว่ากล้าไหมล่ะกล้าที่จะทําอย่างนี้ไหมล่ะถ้ากล้าได้ได้แบบนี้ด้วยนี่ไงในศาสนาเนี่ย นี่มันไม่มีใครกล้ามากในยุคนี้ถ้าคนกล้าจริงๆจะได้ถึงไม่ได้พบนี้แต่มันได้อย่างเงี้ยอัจยาสายไปแล้วได้เลยใช่คือจริงท่านบอกว่าไม่ตั้งปรารถนาไม่ตั้งความปรารถนาก็ได้ท่านว่าถ้าทําขนาดนี้ก็แปลว่าไมละกรรมาฐานเลยอะในอียาบทสีอ่อะตรึกได้ทุกเรื่องอะพิจารณาได้ทุกทุกเรื่องอ่ะ แปลว่าไม่ให้บาปเข้ามามาก ร, กระทบในกระแสะจิตเลยกระทบก็แวบเดียวก็ท่านท่านบอกว่าฟังถ้าฟังให้ดีแล้วจนเข้าใจจนชำนาญเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยออกเลยท่านว่างั้นปลีกวิเวกเลยแปลว่าข้อมูลเต็มแล้วเวลาปัญหาเกิดขึ้นเอาสูตรนั้นมาตรวจปุ๊ บ, บได้แล้วไปได้กลุ่มพวกนี้ไปได้แต่ถ้าหากยังหลงหน้าลืมหลังไม่ได้ ก็บอกท่านหมงไม่ได้ถ้าสุดตาไม่ดีนี่ไม่ได้เลยถ้าสุดตาไม่ดีถ้าหมกศึกษาไปศึกษาไปจนสุดตะดีเป็นอย่างยิ่งมาหลายแล้วท่านบอกคลุ่มครองโดยเองได้แล้วเออมันพิจนารณาดูหน้ามันเป็นทางตาชัดเอางั้นนะต่อไปเอาเต็มที่เลยแล้วออกเลยปลี ก, กันไปเลยพวกเราเนี่ยเออทำมั่นใจตัวเองแล้วทันทีเลยเขาบอกปราฏิหาเหมือนภิกษุรูปหนึ่งที่บอกว่า ท่านบอกพรรษานี้เน่ท่านจะต้องบรรลุให้ได้ออกพรรษาก็ไอไ อ, อปวารณาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ ท, ธที่ ป, ปวารณาไปเลยบ่างั้นเถอะท่านบอกคิดของท่านอยู่างเงี้ยพรรษานี้พรรษานี้พรรษานี้สาสิปีที่คิดเงี้ยแรงดีแต่ว่าตอนนั้นคืออย่างนี้ท่านเป็นอาจารย์ใช่ไหมนึกในใจอย่างเรานี่ชนานาญสูตรขนาดนี้ พรรษาเดียวต้องได้เนี่ยท่านก็ปลีกเลยแล้วเออถ้าเออท่านบอกว่ า, างี้ไม่ใช่พรรษาครับไออปีหนึ่งมัน ส, ส, สิบสิบสองเดือนใช่ไหมพรรษาสองสามเดือนเนี่ยท่านออกภรรษาท่านไปท่านบอกว่าเป็นอลหาหันท่านกลับมาเข้าภรรษาที่เดิมที่วัดเดิมเนี่ยท่านคิดของท่านอย่างนั้นนะออกไปออกไปยังงี้แล้วไม่ได้พอาไม่ได้กูโอ้โหทำใหญ่ทําอยู่างเงี้ยไม่ใช่สามสิบปีรูปนี้รู้สึบหกสิบปีทําจนร้องไห้แล้ว ที่เทวดาก็มาร้องไห้ตั้งข้างหน้าทำนะไมพอครบเฮ้ยเราทีเ่เทวดาบอกบอกถามว่าก็ถามเทวดาถ้ามาร้องไห้ทําไมบอกบอกโอ้ก็น่าช้ําใจก็กปฏิบัติมาขนาดนี้ไม่ได้สักมาร์กเลยมันก็น่ากลุบเมื่มเย <c oughs> ทเทวดาพูดพูดให้ท่านเกิดความสลดเนี่ยเลยได้บรรลุได้บรรู้เพรพ่อเทวดาพูดพูดพูดประชดประชันเทวดาช่วยนึกขนาดว่าตนเอง ทีนี้ในคําว่าสัมมาการบรรลุสาวกโพธิยานปัจเจกโพธิยานแล้วก็สัมมาสัมโพธิยานเออที่จริงคําว่าพุทธะเนี่ยท่านแยกเป็นสี่นะโดย ท, ทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างเนะี่ยมีมีสัมมาสัมพุทธะนี่คือพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะแล้วก็สาวกาพุทธะแล้วก็สุตตพุทธะถ้าหากสุตตพุทธะนี่ก็คือ จะได้บรรลุได้เพราะการฟังทีนี้ถ้าหากว่าสาวกกับพุทธานี่ถ้าหากว่าคือฟังจากพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าสาวกับพุทธานี่ก็หมายความว่าอาจจะเป็นสาวกของพุทธเจ้าก็ได้เป็นสาวกเออเป็น อ, อาจจะได้บรรลุเพราะพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเพราะภษ า, าวกด้วยกันก็ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยสยังพุทธโธสัมโพธิสิทธรรมเมปิธรรมสัตติโยอโหโนตัสะ สุตตังสุตัดตังอโหโนธรรมจินเตนังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้ทรงมีชัยชนะต่อเวรภัยทั้งที่เป็นภายในและภายนอกพระองค์นั้นย่อมทรงรู้แจ้งนามรูปวิถีที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปสืบเนื่องกันติดต่อกันไม่ขาดสายตามธรรมชาติของจิตตะนิยามและทรงรู้ด้วยอานาจของปัจจัยทั้ง24ประการ มีเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะที่ช่วยอุปการะให้ผลเกิดขึ้นในลำพังของพระ อ, องค์เองกับทั้งทรงสแสดงให้กเวนยนายสัตร์ทั้งหลายอันนี้เวยนายนี่บอกไว้แล้ววินัยกับสังวรวินัยกับประหารวินยัยสังวรวินัยมีห้านะปฏิโมกสังวรแล้วก็อินเตียสังวรแล้วก็อะไรกันปาฏิโมกสังวรอินทตียปฏิโมกสังวรอินเตียสังวรขันติสังวร ยานนาสังวรวิริยะสังวรนี่เนีส่วนประหานก็คือตะทางค้าป่าหานวิคัมพนป่าหานสมุูเฉทประหานปฏิปัสสธิป่าหานแล้วก็นิสตรานะประหานเนี่ยนะก็อันนั้นนะได้รู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วยโอเป็นที่น่ายินดีจริงหนอที่พวกเราทั้งหลายได้รับผลอันล้ำเลิศในการได้มาเป็นสาวกสาวิกาแล้วได้รับการอบรม ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธองค์นี้เจ๊จริงคําว่าสาวกสาวกในที่เนี้ยถ้าอย่างเราเป็นสมมุติสาวกนะไม่ใช่ไม่ใช่สาวกโดยนั่นแหละสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่คู่แห่งบุรุษสี่คู่ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เราเหมือนทั้งบอกว่าตอนที่ภิกษุรูปหนึ่งที่บอกว่าภิกษุรูปหนึ่งบอกว่า ที่เป็นน้อยใจพระพุทธเจ้าที่บัญญัติศิกขาบทว่าพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าตนเองเป็นคนหิวเก่งทําไมบัญญัติห้ามของในยามวิกาลพระพุทธเจ้าบอกว่าคนนอกาศาสนาอย่างเธอจะรู้อะไร <c ười> คือเธอไม่ใช่สาวกที่คัดค้านพระธรรมของพระพุทธเจ้าคือคือจริงๆถ้าดูตรงนั้นก็คือว่าสาวกจริงๆสาวิกาลจริ ง, รงๆก็คือว่ามีสุดตามัจยานเป็นอย่างดี แล้วก็มีศีละมัยยยานมีสมาธิภาวนามัยยยาณเป็นต้นเนะ่ยจนถึงธรรมทิฏฐิยานสมัมมาสนญาณอุทะยาพยาญานตามลําดับเนะี่ยลดับข้องญาณนี่มีครบหมดนั่นคือสาวกแต่เรายังไม่ได้สักญาณเลยได้อยู่อย่างเดียวกําลังจะทําตอนนี้สุตตามะเยายญาณังสุตตามายะยานกับศีละมัยยยานสมาธิภาวนามายยยานได้บ้างแต่ไม่ใช่ถึงขั้นเนะียเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆ ได้เลยอุปจารและสมาธิได้บา ง, อ ย, างอย่างเลยเอาขณิกานะและเป็นที่น่าปลื้มใจจริงหนอเมื่อเราได้พิจารณาถึงเหตุผลที่เกิดขึ้นติดต่อการตามสภาพทำล้วนโดยไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลแต่ประการใดแล้วทําให้เราได้รับผลคือเกิดปัญญารู้แจ่มแจ้งโดยทางธรรมที่เป็นอนัตตาอันนี้เห็นโดยการตรึกพิจารณานะพระธรรมคำสั่งสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นย่อมทรงอํานวยประโยชน์ให้แก่เวนัยสัตว ทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญและความสุขกายสุขใจทั้งในพบนี้และพบนาไอ้ตรงนี้วัดกันตรงนี้นะเขาบอกว่าถ้าปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าสุขต้องไม่ไม่เครียดนั่งตาเธอทักถ้าเครียดและกังวลเมื่อใดให้รู้ว่านั่นไม่ใช่พระธรรมของพระพุทธเจ้าให้รู้อย่างนั้นบอกไม่ใช่และผิดและเราผิดแน่นอนเราปฏิบัติผิดเนี่เอ๊ะมันทําไมถึ ง, งหงุดหงิดเอ๊ะมันทําไมถึงฟุ้งเนี่ยให้รู้เถอว่าเราผิดแล้ว รีบค้นหาตรวจสอบเพืวอว่าเอ๊ะมันผิดตรงไหนไปตรวจสอบพิจารณาตามคำสอนต่างๆแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกเสียแล้วจะได้ไม่กังวลต้องต้องตรวจสอบด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้ว ย, วยพระธรรมของพระเจา้าจริงๆต้องมีความสุขปฏิบัติธรรมตลอดจนเข้าถึงพระนิพพานอันสงบจากทุกทั้งปวงแล้วถึงกันนั้นก็ตามก็ยังได้รับการแพร่หลายรือเจริญขึ้น เหมือนกับศาสนานอื่นประเทศที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนานแล้วก็ยังได้รับการอบรมทำคําสั่งสอนที่สมบูรณ์ทั้งที่ยังไม่มีการเผยแพร่และแพร่หลายไปทั่วมูพุทธศาสนิกชนอีกด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพวกเราเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังดําเนินกิจาการในด้านพระพุทธศาสนานได้ยังไม่ถูกต้องดีพอทั้งความเป็นอยู่ความเข้าใจก็ยังขาดตกบกพร่องอยู่ จึงทำให้ความเป็นไปของบุคคลประเภทนี้เหมือนสุภาษิต ท, ที่ว่าคนตาบอดไม่กลัวผีอันนี้เรื่องจริงความเป็นไปแห่งการงานและความคิดเห็นของพุทธมามกะชนบางกลุ่มบางพวกที่เป็นไม่ทานองคนตาบอดไม่กลัวผีเหล่านี้ก็คือว่าแม้ว่าผู้ที่สำเร็จอริยบุคคลโดยอาศัยการปฏิบัติวิปัสสนาปรากฏอยู่มีก็ตามแต่บางท่านก็ยังกล่าวว่า ในสมัยปัจจุบันนี้พระอเรียบุคคลไม่มีได้มีไม่ได้ผู้ที่กล่าวดังนี้เพราะผู้นั้นไม่รู้จักประมาณตนของตนว่าตนนี้ได้รับการศึกษาดีพอแล้วหรื อ, อยังไอตรงนี้สาคัญนะและได้รับการอบรมข้อปฏิบัติวิปัสนาที่ถูกต้องตามสมบูรณ์หรือเปล่าฉะนั้นบุคคลประเภทนี้จึงเป็นบุคคลประเภทตาบอดไม่กลัวผีคือเห็นว่าคุณธรรมเหล่านั้นไม่มีแ่ตนเหมาจาเลยบอกว่า คนอื่นก็ต้องไม่มีเว็ประเภทเมาเมาจ่ายนี่เป็นภาษาใช้โทรศัพท์พกนัประเภทที่ที่ดูปกแบบเหม่ไม่มีอยู่แล้วยกนี้บางคนปฏิเสธนะโอ้ยนี่พานอย่าพูดถึงไม่มีแล้วนี่จบเลยแท้จริงพระยาบุคคลตอนนี้ท่านเข้าเข้าผลสัมมาบาติจันเตทมไปหมดครับในเทวภูมิบ้างในพมภูมิบ้างเ ย, ยงอะแยะก็เราประเมินไม่ได้เชื่อว่าต้องมีอะเนี่ยต้องมีแน่นอนไง ต้องมีแน่นอนถ้าต้องมีแน่นอนครับเฉพาะเพราะปริมาณที่เราเห็นเราได้ยินเนี่ยมันมันนิดเดียวเท่านั้นเน่ยที่รู้เนี่ยนิดเดียวเท่านั้นใช่ไหมในหมู่ที่เขาเข้าถึงเนี่ยป่านนี้เขาสวยมติสุขกันใช่ไหม ไม่ใช่ถ้าคนที่บวชอยู่ศึกษาอย่างนี้ต้องเชื่อแล้วครับใช่โอ้โหถ้าบอกถ้าบอกในโลกนี้มีไหมนี่โอ้โหน่าจะมากในยุคนี้ก็ต้องมีต้องมีมเพราะว่าดูจากพระธรรมของพุทธเจ้ายังอัศจรรย์ถึงเพียงนี้ขนาดปัญญาอย่างเราเรา พิจรารณาอย่างอาศัศจรรย์ถึงเพียงนี้ประการที่สองก็คือการแสดงการศึกษาพระวิธรรมย่อมมีหลักฐานปรากฏอยู่ในพุทธประวัติและพุทธานุพุทธประวัติหรือคือภาษารีบุตรและสารุสิตห้าร้อรูปแล้วก็พระนาเกษตเป็นต้นด้วยนะจนมาถึงสังขยาาครั้งที่6ที่ได้มีการจาลึกลงในใบลานบ้างและเป็นหนังสือบ้างที่มีอยู่ทั่วไป ถึงขนานบางท่านก็ยังกล่าวพระวิธรรมไม่ใจพุทธภาษิตบางท่านกล่าวว่ามิใช่เป็นข้อธรรมที่พวกมนุษย์พึงศึกษาผู้ที่กล่าวดังนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักประมาณตนว่าตนนี้ได้ศึกษาในข้อธรรมนั้นๆทั่วถึงดีพอแล้วหรืออย่างและเคยได้เห็นหนังสือพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาโดยชัดเจนบ้างหรือหนอหรือเปล่า เมื่อได้เห็นแล้วได้อ่านได้เข้าใจหัวข้อธรรมนั้นหรือไม่ควรพิจารณาใคร่ควรตรวจดูตนให้ที่ท่วนฉะนั้นบุคคลประเภทนี้ก็อยู่ในประเภทตาบอดไม่กลัวผีประการที่สก็คือว่าบางท่านได้รับการศึกษาวิชาธรรมจากสำนักอาจารย์มาแต่พอประมาณไม่เกิน25ส่วนในจำนวนร้อยคือศึกษาน้อยมาก บางท่านไม่รับการศึกษาจากสำนักอาจารย์แต่ประการใดเลยเพียงแต่ได้อ่านตำราตำราที่ยังกล้าเขียนเมื่อได้รับคำชมเชยสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนที่ยังมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อธรรมเพียงเล็กน้อยเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าตนนี้เป็นนักปรากจะอย่างไรก็ตามถ้อยคำที่กล่าวนั้นยังเป็นที่น่าเคารพน่าเชื่อถือ ได้อยู่เฉพาะการกล่าวก็ดีการเขียนก็ดีเหล่านี้แม้จะยังมีเนื้อความไม่ถูกทั้งการลำดับข้อความก็ยังสับสนก็จริงแต่ก็ต้องจัดเข้าในการที่เจตนาหวังดีนั่นเองคือเขาเรียกหวังดีแต่ไม่รอบคอบไม่มีเยอะต่อมาการกล่าวการเขียนของผู้ที่ถือตนเป็นนักปราชญ์นั้นก็จะค่อยๆ ค, ค, คลาดเคลื่อนไอ้ตรงนี้จริงเนี่ยไ ป, ไปมาเนี่ยห่างออกจากหลักพุทธภาสิตอัตกตาดีกาคือพุทธภาษิตอัตกตาฎีกา มีความหมายอย่างหนึ่งแต่ข้อความที่นำมาเขียนมาบรรยายนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่การงานของท่านเหล่านี้ก็ยังคงดำเนินไปด้วยดีนะพร้อมทั้งผู้ฟังและผู้รับฟังก็คงสนับสนุนอยู่ทั้งนี้ก็เพราะประชาชนบางเหล่าก็มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาดีแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดอยู่ตรงไหนถูกอยู่ตรงไหนเนี่ยนะทั้งไม่มีความเพียรพยายามที่จะรับฟังคำที่ถูกอีกด้วย โอ้ตรงนี้สำคัญนะไม่กล้าไม่ไม่กล้าพอที่จะเพียนศึกษาให้ถูกอะให้รู้ว่าผิดถูกเป็นอย่างไรขาดวีระขาดความกล้าขาดความกล้าในการที่จะศึกษาก็นั่นเองโกศชะครอบงำนั่นเองบางเหล่าก็ไม่มีความเลื่อมใสเนี่ยอกลุ่มนี้คือขาดกลุ่มที่พูดเมื่อสักครู่เป็นกลุ่มที่ขาดวิริยินีกลุ่มที่จะกล่าวต่อไปนี่กลุ่มที่ขาดสัททินีนะ ไม่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างจริงๆริงนะคือไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าจริงๆรงนะิทั้งไม่รู้ว่าผิดหรือถูกประการใดอีกด้วยเพียงแต่มีความประสงค์ที่จะฟังเล่นฟังสนุกเยอะไหมฉะนั้นผู้ที่ถือตนว่าเป็นนักปรากพร้อมทั้งสานุสิทธตที่ยอมตนเป็นผู้รับฟังเหล่านี้จึงเป็นบุคคลประเภทบอดไม่กลัวผียังไนเงาตาบอดไม่กลัวผี ป ร, ประการที่สี่การส่งเคาะด้วยปัจจัยสี่ในพุทธศาสนาจากพุทธศาสนิกชนบางท่านแม้จะเป็นทานกุศลก็จริงแต่ก็ไม่จัดเข้าในศาสนานุกขหากุศลคือกุศลที่เกี่ยวกับอนุเคราะห์พระพุทธศาสนาทั้งสามให้ตั้งมั่นทาวลและเจริญขึ้นพระพุทธศาสนาทั้งสามนี่คืออะไรปริยัติศาสนาปฏิปติศาสนาและ ปฏิเวทศาสนาศาสนาสามอย่างท่านไนยาของอาจารย์โ ช, โชจะเน้นลงตรงนี้ท่านท่านจะเน้นลงตรงีศาสนาสามประการคือคือที่ให้ทานก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาสามอย่างเลยจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรก็ไม่ได้หวังเพื่อจะเป็นที่ศึกษาเรื่อเรียนปฏิบัติพระธรรมมอ่งไหมมีไหมอ่ะเจตนาแบบเนี้ย แต่ตนาที่จะสร้างนั่นแหละแต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไม่มีพระพุทธเจ้าผักดันความคิดของตนเองอยู่เบื้องหลังถ้าในลักษณะอย่างนี้เสียแล้วโรงเรียนป ร, ริยัติธรรมบางเหล่านี้แม้จะมีความสวยงามใหญ่โตกว้างขวางเพียงใดแต่อาศัยทําประโยชน์ด้านพุทธศาสนาเก่าวคือจะใช้เป็นสํานักศึกษาเล่าเรียนหรือเป็นสํานักปฏิบัติสมถะวิปนาะไม่ค่อยจะได้แม้จะเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับทางโลก แล้วก็เป็นประโยชน์ของบุคคลที่กำลังดําเนินกิจการนอกจากคันถะธุระและก็วิปัสสนาธุระเนี่ในภาษาสนานี้ธุระมีสองอย่างนะไอ้คันถาธุระนี่แปลโดยตรงก็แปลว่าไงธุระในการศึกษาคัมภีร์ได้ไหมศึกษาคัมภีร์ศึกษาตาําราศึกษาคําสอนศึกษาพระไตรปิฎกอะเนียนี่คือคันถาธุระวิปั ส, สนาธุระก็รวมสมถถาธุระเขาด้วยเนะ บางคนบอกวิปัสนาตุลาบอกเอ้ยสมถะไม่ใช่พระสรธรรมมายุ่งเลยปฏิเสธสมาธิไม่ได้ <_ d ata> ผู้ที่นนอนุเคราะห์ในการสร้างสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ใคร่จะพิจารณาเหตุผลว่าการสร้างสถานที่ต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี้ยจะได้รับประโยชน์ในด้านพุทธศาสนาเพียงใดแค่ไหนมีแต่การคิดว่าเราจะได้สวยความสุขสต่างๆที่เป็นทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติในพบต่างๆโดยอาศัยที่กุศลที่เกิดจากการสร้างสถานที่ต่างๆเหล่านี้เท่านั้นฝ่ายปฏิ ปฏิฆาหกผู้รับก็มีได้ใข่ครวญพิจารณาเช่นเดียวกันการถวายพระทหารหรือไตรจีวรก็ไม่จัดอยู่ในาศาสนะคหกุศลเพียงแต่ให้สำเร็จแก่ทานกุศลก็มีอยู่มากเอสาอสนะศาสนานุกคหกุศลนี่หมายถึงอะไรไอ่ใช่ให้เข้าใจตรงนั้นเนะี่คือเป็นกุศลที่ไม่เกี่ยวกับ ส่งเสริมปริยัติศาสนาปฏิปติศาสนาและปฏิเวทศาสนาเคยไหมเมือตายทัดเคยคิดไหมว่าเออเนี่ยเราจะไปอนุเคราะห์เรามีจีวร อ, อยู่พื้นหนึ่งซึ่งมันเกินมาโยมเขาถวายมาเนี่ยนยะอเราจะถวายบุคคลอื่นเนี่ยเพื่อจะได้ให้บุคคลที่ได้สวมใส่ได้ประพฤติปฏิบัติได้ศึกษาเล่าเรียนได้ ทำศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นถ้าไม่ได้ตรึกอย่างนี้แปลว่าเราก็ไม่ได้ทํากุศลประเภทนี้เอะมีภิกษุอยู่รูปหนึ่งเนี่ยเอกราภท่านเยอะยิ่งยิงวันหนึ่งเนี่ยท่านได้วันหนึ่งท่านได้จีวรสามชุดคือพระราชาจะจีวรมาถวายท่านเนี่ยวันละสามชุดคือศรัทธาท่านนั้นท่านก็ใส่ให้พอใส่เสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานใช่ไหมพอมาปุ๊บท่านก็เปลี่ยนอธิษฐานเอานั้นแล้วก็อธิษฐานใหม่ยัง อนุเบางรูปก็ได้ถ้าอย่างพระถ้าพระผ้าพักกุลานีสิบห้าวันญาติจะกิวอไปถวายทีสิบห้าวันญาติจะไปถวายทีญาติท่านรวยๆทั้งนั้นพักกุลาสองตระกูลเนสะิบห้าวันถวายทีสิบห้าวันท่านในมาในยุคพระเจ้าโศกนี่มีอยู่รูปหนึ่งนะโอ้หวันหนึ่งสามชุดพวกเรายังเอกลาบไม่เคยดีขนาดนั้นเลยนะ่ยใช่ไหม ไม่ได้เป็นนะท่านเจริญกุศลคนใครก็อยากจะได้บุญแล้วท่านไม่ใช่พระธรรมดาอย่างพักท่านเปลี่ยนของท่านเองมีหน้าที่เดีวเขาเนียคือพระราชาเนี่ยให้อมาตให้อะไรนำไปให้ทุกวันเลยทุกเวลาเลยเนี่ยให้ให้เลยถึงเวลาเช้าเอ า, เอาจีวรไปให้พระเถรลหรือไปถวายพระเถระหรือยังจะถามเรื่องนี้ บอกไปถวายแล้วเอเที่ยงอะไปถวายอย่าถวายแล้วเย็นอะไปถวา ย, ว ย, วายวท่านก็รู้ว่าท่านปฏิบัติธรรมอยู่มองเห็นไหมท่านก็ได้มาท่านก็อนุเคราะห์อ๋อไม่ใช่เปลี่ยนยากเย็นอะไรนะถามว่า ก, กินอาหารวันละสองวันละสามมื้อเป็นพาระะ้าไหมนานก็นานก็เปลี่ยนจีวร น, นี่มันน่าจะพาร้ามากว่าไม่เอาจะกินมื้อเดียวดีกว่าใช่ไหมไม่คิดอย่างนั้นบ้าง การการอนุเคราะห์คนท่านอนุเคราะห์ได้การที่อาตมาภาพที่จริงปัจจุบันก็ท่านใช้คําว่าอาตมะแล้วเนี่ยสับ์นี่แต่ว่าท่านการถวายจีวรหรือตรายจีวรที่ไม่จัดเข้าในศาสนาหนุกคากุศลเพียงแต่ให้สําเร็จแก่ทานกุศลก็มีอยู่มากซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีผู้ใดจะหันมานึกคิดพิจารณาหาวนทางแก้ไขเรื่องต่างๆเหล่านี้มีแต่พยายามทําการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ไปในทํานองอยู่เรื่อยๆฉะนั้น ความเป็นอยู่ของบุคคลยงพวกนี้ก็คือตาบอดแล้วก็ไม่กลัวผีเหมือนกันประการที่5การที่อธรมภาพได้ยกข้อความในการด้านงานในทางพุทธศาสนาขึ้นมาเปรียบเทียบดังกล่าวนี้ก็เพื่อจะมุ่งหวังให้สาธุชนที่มีหน้าที่รักษาพุทธศาสนาและก็ผู้ที่มีปัญญารขกรวนวิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างในด้านการศึกษาปฏิบัติและส่งค้อปัจจัย แล้วก็กลับห้วนคิดว่ายังมีสุภาษิตบทหนึ่งฮิโตปะตะประเทศกล่าวบอกว่าคตานุกคติโกโรโกเขาแปลว่าธรรมดาชนเนี่ยทั้งหลายนั้นเนี่ยย่อมมีนิสัยชอบดำเนินไปตามประเพณีของโลกไม่ว่าจะผิดหรือถูกแต่ประการใดเออตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเรียกว่าเรื่องเรื่องของโลกโลกเนี่ยคนชอบดีนะ ลองลองมีเรื่องอะไรสนุกสนานขึ้นเดียวนี้เ๋โอ้โหฉะนั้นข้อนี้เนี่ยนอกจากท่านที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์แล้วประกอบด้วยปัญญาทั้งมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถูกต้องแล้วก็ย่อมจะถูกตําหนิตีเตียนจากเรานะ่แต่อย่างไรก็ตามอธรรมาภาพก็จะยอมรับคำกรหาต่างๆจากท่านเหล่านั้นด้วยความยินดีโดยสุภาสิทธิว่าคนตาบอดไม่กลัวพี่ <laughs> เรื่องที่เกี่ยวกับความเห็นความเข้าใจกิจการของงานพุทธศาสนาของพุทธของพุทธมามะกะชนทั้งที่มีอำนาจและไม่มีอำนาจที่กำลังดำเนินอยู่ mm. เมื่อว่าตามสภาวะแล้วก็ยังไม่ถูกต้องเลยทีเดียวถูกแต่ตามโวหารเท่านั้นขอให้ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาดูด้วยตนเองดังนั้นพุทธศาสนิกชนที่เป็นกระดัหรือบรรพชิตทั้งหลาย เมื่อได้ทราบถึงกิจการที่กำลังเป็นไปอยู่เหมือนคนตาบอดไม่กลัวผีแล้วก็จงให้ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้พุทธศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็สำหรับการงานที่เกี่ยวกับการสอนการแต่งประกรณ์การพิมพ์หนังสือหลักสูตรอภิธรรมที่ท่านที่อาตมาภาพดำเนินการอยู่ในบัดนี้มีความประสงค์สองประการสร้างบรารมีซึ่งเป็นเหตุให้ถึงสัมมาสัมโพธิญาณ ประการที่สองเพื่อให้พุทธศาสตร์สนาตั้งมั่นท้าวรเจริญรุ่งเรืองแพร่หลายท่านปรารถนาเนี่ยก็ตั้งบอกว่าถ้าท่านได้บรรลุเมื่ อ, อไรก็อย่าลืมมีคนมีคนคนหนึ่งบอกพูดน่าคิดถ้าบอกถ้ารู้ว่าใครปรารถนาเป็นพุทธเจ้าถ้ากราบได้เข้าไปกราบเท้าเลยแล้วขอฝากตัวเลยฝากไว้ก่อนท่านใดบรรลุเมื่ อ, อไรอย่าลืมเข้าไปเจ้าแล้วท่านจะจําได้ เพราะท่านระลึกชาติได้เนี่ยว่าเออเนี่ยท่านลับปากไว้แล้วอนุเคราะห์ข้าพเจ้าอยู่ไกลแสนไกลเป็นอะไรเนี่ยถึงแม้จะเป็นสัตว์เร่ร่อนก็ช่วยอนุเคราะห์ข้าพเจ้าหน่อยแกบอกน้อมไปเหอะเพราะวัดตานี้มันยาวไกลมากที่มันน่าคิดเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าทําบอกเออมนน่าคิดเนี่ยไม่เสียหลายเนี่ยน้องเข้าไปเลยบอกท่านเลยว่าป า, ากตัวไว้เลยเลับปากไว้แล้วแปลว่าเรา การจะบรรลุได้หรือไม่ได้บางทีถ้าลับปากไว้ใช่ไหมพอท่านรับปากแล้วท่านระลึกบอกเอา้าเป็นสัตว์ที่ละชา น, นตายแล้วเอา้าต้องช่วยอนุเคราะห์หน่อยเพี้ยนอยู่นั่นแหละก็ขนาดนกกระยางอ่ะนะภรรยาของท้าวส ก, กดัดดูดูขนาดห้าร้อยปียังเพี้ยนทําภรรยาองตนเองให้พ้นจากอาชภาพจนได้ห้าร้อยปีนะไม่ยังงงผูพกพันก็ผูกพันพูดกันไว้ นี้พูดกันไว้รับปากกันไว้ของเราบปากอะไรไว้เนี่ยระลึกได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไปมีอิทธิฤทธิ์แล้วระลึกได้มีสัพพัญยสัญญามีอะไรต่า ง, างยิ่งพระพุทธเจ้าคนปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแล้วฝากตัวทันทีท่านจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้นะถ้าเราบรรลุไปก่อนก็ถือว่าเราเราพ้นแล้วใช่ไหมแต่เราฝากอนะเอางั้นเลยนะยนโซเลนนะยถ้ารู้ว่าใครเขาปรารถนาการทัด เคไปฝากตัวใครบ้างไหมยังเนี่ย ย, <ๆ>ยังเลยนะโอ้โหถ้าอย่างนั้นหวาดเสียวอย่างไงอายุก็มากกันเนี่ยนี่ต้องรีบแล้วถ้ารู้ว่าใครปราถนาเป็นพู้เจ้เจ้าขอฝากตัวเลยนะฝากตัวเลยบอกโอไม่ใช่ง่ายๆเลยการจะออกจากวัาฏานี้ไม่ใช่ง่ายเลยฉะนั้นความประสงค์สองประการเนี่ยนะความประสงค์สองประการเนี่ยได้สําเร็จรู้ล่วงลวงในเวลาใด เ, เวลานั้นก็เป็นอันว่า ความมีชัยมงคลได้เบิกเกิดขึ้นแกธรรมาภาพได้แล้วณนะเวลานั้นโหปรารถนาเลยใช่ไหมถ้าหากว่าท่านอาจารย์โชเนี่ยอาจารย์สัทธามาโชติกาธรรมะจริยานได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆในศาสนาก็ต้องจเจริญในยุคท่านใช่ไหมตอนที่ท่านประกาศแต่ทนยุคปัจจุบันนี้ก็ความปลารถนาของท่านนั้นก็โอ้โหคงจะค่อยๆเสื่อมไปแน่นอนการเวลาเป็นเช่นนี้นด้วยเหตุนี้แหละ คำปรพณเบื้องต้นจึงได้รสนาเป็นอาสีสคาถาอาศิระคาถาอาศิระคาถาเนี่ยนะอศิระคาถาแรกเนี่ยนะเป็นบาลีอาศิระคาถาคำที่สองเป็นภาษาสันสกฤตนะคาถาที่แสดงถึงการขอพรเพื่อความมีชัยมงคลให้บังเกิดผลสมความปรารถนาโดยมีคำว่าสัทธธรรมะ รังสิชาริโนเป็นต้นนีออ่ท่านอาจารย์จะทําตั้งจิตปรารถนาเขาอันหนึ่งชนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยกันทุกวันนี้ล้วนแต่พากันสอดแสวงหาวิชาความรู้ต่างๆเพื่อให้ได้มาประดิษฐ์สติปัญญาของตนของตนด้วยกันทั้งสิ้นทั้งนี้ก็เพราะมีความเห็นว่าบุคคลใดขาดเสียซึ่งวิชาความรู้เสียแล้วบุคคลนั้นก็ย่อมจะได้รับความลาบากเพราะมิอาจที่จะยกฐานะคือความเป็นอยู่ของตนให้รุ่งโรจน์ได้ มีแต่การใช้กำลังกายเป็นที่พึ่งฝ่ายเดียวมิอาจที่จะสายปัญญาอันเป็นกำลังใจเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ด้วยเหตุนี้วิชาที่ชนทั้งหลายมุ่งอยู่ทั่วทุกคนมีอยู่สองอย่างก็คือวิชาทางโลกอย่างหนึ่งและก็วิชาทางธรรมอีกอย่างวิชาทางโลกนั้นก็ย่อมให้ผู้ศึกษาได้รับผลในปัจจุบันในชาตินี้ชาติเดียวไม่ได้ติดตามไปในพบอื่น มีหนาซ้ำวิชาบางอย่างก็ทำให้ผู้ศึกษาได้รับผลร้ายส่วนวิชาทางธรรมนั้นไม่มีให้โทษแต่ประการใดมีแต่ให้ผู้นั้นได้รับสุขปรากฏเกิดขึ้นทายเดียวและต่อไปในภายภาคหน้าก็ยังช่วยอุดหนุนให้รับความสุขเกี่ยวกับการได้อัตภาพในการเป็นมนุษย์เทวดาตลอดถึงถึงพระนิพพานอีกด้วยความสุขทั้ง3าประการนี้พระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง เพราะไม่มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นคงมีแต่ความสุขที่สงบจากทุกข์ทั้งปวงถ้าได้พิจารณาค่ควรดูวิชาทางธรรมโดยถี่ถ้วนวิชาทางธรรมก็จะอำนวยผลให้ผู้ศึกษาได้รับความสุขในพระนิพพานโดยเร็วนั้นก็ได้แก่วิชาความรู้ที่เกี่ยวกันกับการศึกษาพาพิธรรมเนีจริงๆตรงนี้ถ้าคนฟังไม่ดีจะมาคุยอวดอะไรเงอเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ที่จริงการศึกษาพิธรมเนี่ยเป็นการศึกษาสภาวะซึ่งจะเป็นปัจจัยทําให้ไปเจาะในการศึกษาพระวินัยพระสูตรได้ดีขึ้นนะตรงนั้นไม่ได้พูดเกินไปเลยนะแต่ไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ศึกษาพิธรรมแต่เงินเสียเลยเนี่ยต้องต้องมากกว่านนะั้นผู้ที่รับความให้สังเกตนะถ้าอ่านถ้าอ่านวินัยอย่างเดียวเครียดเลยแหละ ลองเรียนเรืเร่องศีลศีลศีลศีลอย่างเดียวดีสมาธิไม่เรียนปัญญาไม่เรียนเนี่ยเครียดคือเราไม่รู้พระมหากรุณาที่คุณของพระทธเจ้าที่บัญญัติพระวินัยก็เลยไม่เห็นประโยชน์คือสมาธิก็ไม่เกิดความสุขก็ไม่เกิดใช่ไหมเพราะมันจะมีแต่ความฟาุ้งซ่านั้นการศึกษาพิธรรมศึกษาพระสู่ศึกษาพระวินยัยต้องศึกษาทั้งสามอย่าง น, นี้นะจะสมบูรณ์คือทางด้านปริยัติและทางด้านปฏิบัติรู้ทางปริยัติเรียกว่าสุตตมยปัญญา ที่จริงคําว่าสุดตามยะปัญญาเนี่ยนะมาจากคาว่ารู้คือถ้ารู้ถ้ารู้จักขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ปัจจัยของกัน5ด้วยอย่างนี้เป็นสุดตามยะยานสามารถรู้ปัจจัยแต่ว่าสุดตามยะยานจินตามียะยานแล้วก็ภาวนานี่ก็ต้องดูไปดูในคัมภีร์ปฏิสัมพิทามรรคนี่ท่านจะแยกไว้ชัดเยเอาไว้ไปดูในรายละเอียดท่าน ต, ตรงนั้น ความรู้ที่เกี่ยวกับปริยัติทั้งสองอย่างนั้นรู้โดยสายปริยัตเป็นการรู้โดยกว้างขวางพร้อมทั้งบัญญัติของนามรูปเหล่านั้นส่วนการรู้อาศัยปฏิบัติ